ก็ขโมทนากับเราท่านทั้งหลายนะที่ตั้งใจในการที่สาธยายแล้วก็ฟังพระธรรมัน <c oughs> ในการศึกษาคำสอนโดยเฉพาะในด้านของการศึกษาในด้านของสัมภาราวิบากนะในด้านของการที่ต้องการจะศึกษาเส้นทางการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราสาธยายบารมีแต่ละข้อทีนี้ ในการอธิบายหรือทำความเข้าใจ <c oughs> พระโพธิสัตว์เนี่ยนะความปรารถนามานานที่บอกว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก่อนที่ท่านจะตรัสรู้นุตตะสาัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะล้วนแต่ได้ตั้งความปรารถนามาอย่างเนื่นนานเริ่มตั้งความปรารถนาไว้ในใจเจ็ดอสงไขยแล้วก็ ปรารถนาด้วยวาจาอีก9สงไข่ปรารถนาด้วยกายและวาจาอีกสี่สงไข่แสนกับเนี่ยนะหรือแสนหมากับทีนี้ในระหว่างที่บำเพ็ญบารมีเนี่ยเมื่อได้ตัดสรู้เป็นพระเจ้าเรียกว่ายังไม่ได้ตัดสรู้เป็นพระเจ้าเรียกว่าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นั้นแบ่งเป็นสองประเภทเป็นอนิยตาโพธิสัตว์แล้วก็เป็นนิยตตาโพธิสัตว์คําว่าอนิยตาโพธิสัตว์ก็คือพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพยากรณ์ หรือพุทธพยากรติจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตฉะนั้นในระหว่างที่บำเพ็ญทานบา ร, รมีเป็นต้นจนถึงอุเบกขาบา ร, รมีเป็นที่สุดเนี่ยที่คิดในใจหรือเปล่งวาจาออกมาก็แล้วแต่แต่ยังไม่ได้รับพุทธพยากรตินเนี่ยเขาเรียกว่าอานิยต่าวโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์นั้นยังถือว่ายังไม่แน่นอนที่ยังถือว่าไม่แน่นอนเพราะว่า อาจจะไม่ได้ตัดสรู้ก็ได้เพราะยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้เปล่งพุทธเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยถ้าได้หากว่าได้พูดแล้วหรือตัดคำใดคำหนึ่งแล้วเนี่ยคำนั้นจะต้องจริงโดยส่วนเดียวฉะนั้นให้สังเกตดูที่ว่าคนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะไปเปล่งไปคิดในใจต่อนหน้าพระพักของพรธเจ้าผ่านมาเป็นแสนๆพระองค์ แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบว่าเออเนี่ยท่านจกได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเนี่ยหรือไปเปล่งวาจาก็ยังไม่ได้รับคำตอบตายตัวว่าจะต้องได้เป็นแน่นอนเนี่ยนะเพียงแต่บอกว่าสร้างบา ร, รมีไปสร้างบา ร, รมีไปอย่างเงี้ยลองคิดดูทีว่าการรอคอยเนี่ยยาวไกลขนาดไหนเอามาเปรียบเทียบไปเห็นชัดตอนที่พระ อ, อนุน ตอนที่พระพุทธเจ้าทรง ป, งปรองพชนมายุสังขารแล้วตอนนั้นท่านพระนรนได้เป็นพระโสดาบันแล้วต่อมาท่านพระนรนร้องไห้ไปกาะสลักเพชรร้องไห้ใช่ไหมร้องไห้อยู่ว่าตนเองเนี่ยตามพระบรมศาสดาปรดุจเงาตามดูแต่เราได้แค่พระโสดาบั น, เ, นเราน่าจะได้เป็นพระอรหันต์พระเจ้าก็เรียกมาแล้วก็มาบอกบอกว่าพระนรินเนี่ยมีคุณธรรมยังไง ดังในสุดจริงๆเนี่ยไม่นานจะได้ตัดสรุปเป็นพระทหารใช่ไหมท่านพระนนก็โอ้โหพระนนท์ก็ดีใจแล้วอยู่ต่อมาพระเจ้าปรินิพานก็ยังไม่ได้เป็นเลยใช่ไม่ใช่จนเลยมาประมาณสามเดือนที่เขาทาําปฐมมรรคไสนาจนใกล้จะทําเนี่ยท่านก็คิดท่านเพียรพยายามของท่านมาตลอดแต่เขาไม่ได้บรรลุใช่ไหมท่านบอก เห็นไหมขนาดนั um. ้น <Triple> ท่านยังมีความรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยท่านไม่ได้เป็นเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเออถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันเนี่ยแต่ท่านก็มีแต่ความความคิดบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสแล้วคําใดหนึ่งไม่มีสองว่าจะต้องได้บรรลุเป็นพระอรหันในปัจจุบันนภพเนี่ยก็ขนาดท่านคอยแค่นั้นเนี่ยท่านยังเห็นไหมท่านยังทกใจท่านขนาดนั้นนะว่าท่านไม่ได้บรรลุเนี่ยลองคิดใจของวพวที่สาธิต ไม่ได้รับพยากรณ์เนี่ยใช่ไหมแล้วท่านรู้ข้อมูลเหมือนพวกเรารู้เนี่ยแล้วท่านรู้มากกว่าเราเนี่ยนะลองคิดดูที่ว่ามันแสนท่านจะบอกโดดเดียวไหมชีวิตเหมือนโดดเดียวมากนะที่เอาเพื่อนกันที่เขาประเภทที่แตกฉานคําสอนอาจจะน้อยกว่าตนเองอีกเขาบรรลุต่อหน้าต่อตาเนี่ยใช่ไหมผ่านพระเจ้าแต่พระ อ, องค์พระ อ, องค์เนี่ยเขาก็บรรลุต่อหน้าต่อตาไปหมดเนี่ยแต่ตนเองต้องอดกลันกนก้นเขาไว้ ว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ตนเองนะจาจไม่ได้บรรลุห้ามการบรรลุแต่จะบรรลุเพื่อจะเป็นพูุ้ทธเจ้าจะขนสัตว์หรือสัตว์และความเจ็บปวดในอนาคตก็อีกเยอะที่ตนเองจะต้องประสบและพระพุทธเจ้าก็พระโพธิสัตว์ท่านก็ทราบโลกแต่ละใบแต่ละใบกว่าจะแตกดับไปเราจะต้องมาเกิดอีกกี่ล้านชาติเราจะต้องมาตั้งอัธยาศัยในการทาความเพียร เราจะต้องอัตยาศัยในการที่จะบำเพ็ญทานบรารมีศีลบรารมีเป็นต้นเหล่านี้ไปเจอพระเจ้าแต่แพระองค์ก็เห็นคนอื่นบนรรลุต่อหน้าต่อตาแตกดับตัวหน้าต่อตาไม่รู้เท่าไหร่ไปกันเป็นกดโกรธแต่ตนเองก็ไม่ได้บรรลุต้องคิดใจท่านดูที่ท่านท่านเพียรทําไมท่านตั้งอัธยาศัยไวทไ้ทําไมนั่นเราต้องคิดให้ออกในฐานะที่เป็นชาวพุทธต้องคิดมุมนี้ให้ออก ไม่ใช่ว่าท่านไม่เข้าใจไม่ท่านไม่ใช่ว่าท่านไม่มีข้อมูลโดยมากทรงพระไตรปิฎกคำสอนนี่รู้หมดรู้ว่าบรรลุยังไงช่องทางยังไงจะบรรลุยังไงจะเดินวิปัสสนาญาณยังไงเพื่อจะละกิเลสได้แต่อดกลั้นไม่ให้บรรลุมันมันต้องคิดดูเนอะอย่างใจเราเนี่ยยังเราทำได้ไหมเราจะเอากรุณาอะไรมาดึงว้ ดึงดึงดึงวิปัสสนาญาณไม่ให้ทะลุต้องใช้มหากรุณาอย่างรุนแรงมาดึงวิปาาัสนาญาณไว้อย่าให้ข้ามสังขารุเปฆายานันถ้าข้ามไปแล้วจะเป็นโคตรภูยาเอาจะเป็นอนุโลมายานโคตรภูยานแล้วแล้วไม่กลับแล้วแล้วก็เป็นพระเจ้าไม่ได้แล้วก็ได้บรรลุไปเลยเป็นพระละหันเป็นพระโสดาบานันสกาธานาคาเป็นพระละหันไปถ้าใจเราเอาไหม รู้ว่าวัฏฏะข้างหน้ามีภัยขนาดหนักรู้ว่าสังสารวัฏว่าพบแผ่นดินจะกบหน้าอีกไม่รู้เท่าไหรแล้วบางพบบางชาติก็เผลอเลยไม่ได้เจอพระเจ้าก็ต้องไปตกนรกพบชาติก็กลับแต่ละกลับก็ยาวนานเหลือเกินถูกทับถมได้พบชาติก็หลงลืมสติขาดสติบางพบบางชาติก็ไปทําบาปประกรรมบาปปฏิทิศก็ไม่ได้ถอนออกจากใจใช่ไหมมิจฉาทิฏฐิเพราะมิจฉาทิฏฐิไม่ถูกถอนก็บาปประกรรมบาปปฏิทิธิ อกุศลธรรมอลามกทั้งหลายก็อดไปทําไม่ได้บางภพ บ, บางชาติบางทีก็ต้องไปเกิดเป็นอบยสัตว์ยังแสนจะทรมานบางภพเกิดเป็นเปรตต้องโหยหาอาหารต้องทนทรมานอยู่อย่างนั้นแหละออกจากอัตภาพนั้นก็ไม่ได้จะไปกั้นใจตายได้งไงกรรมไม่หมดก็เหมือนสุนัขบางตัวเป็นขี้เลืนเ้นจะตายอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ยอมตายสัทีอย่างเงี้ยนะถ้าตายก็ยิ่งลงหนักไปใหญ่อย่างนี้สมมติเงีนะก็นนะลองมานั่งคิดดูที แล้วก็รู้อยู่ว่าวะตะยาวนานเสี่ยงแล้วน่ากลัวขนาดไหนแต่ตนเองก็ต้องตั้งกันไว้ไม่ยอมถอนความรู้สึกอย่างเงี้ยนะทั้งๆ ท, ท, ที่เป็น อ, อันนี้ต่โพธิสัตว์นั่นแหละแต่ก็สามารถบรรลุได้เพราะบำเพ็ญบา ร, รมีมามายาวไกลเพราะว่าแต่ละองค์ยังไม่บำเพ็ญบารมีแสนกับอย่างเงี้ยพระอหลานทั้งหลายท่านก็ได้กันแล้วบางองค์ไม่ถึงแสนเลยท่าไปหมื่นสองหมื่นพันกับเนี่ยท่านก็บรรลุแล้ว อันนี้มาตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดอสงไขยคิดในใจอะ่ะแล้วก็จะต้องเดินทางจากการไป่งอีกเก้านั้นโอกาสบรรลุได้หมดเนี่ยมองออกไหมเนี่ยลองลองคิดดูที่ว่าใจของคนที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อใครเพื่อพวกเราเนี่ยทั้งนั้นไม่มีเลยนเนี่ยคําสอนเนี่ยแล้วมัมีบรรยากาศการการศึกษาพว่าทำฟังธทำเนี่ยยังไม่รู้เรื่องกันเลยแล้วเราก็คือเป็นคนมืดมืดบอดบ อ, บอกันเนี่ย ก็วิ่งทําบาปทำกรรมขนาดคําสอนผู้เจ้าแผ่มาขนาดเนี้เรายังประมาทขนาดนี้ถ้าไม่มีคําสอนของพระบรมศาสดาลาดลดจิตใจเลยเนี่ยเราจะชั่วขนาดไหนพูดตรงๆงคืออย่างนั้นเลยเนี่ยเราจะชั่วขนาดไหนก็ถึงบอกว่าเราเนี่ยเคยทําแม้กระทั่งปาณนันติบาตมาระดับมาตุคาตมาแล้วปีตุคาตก็ทํามาแล้วอรหันตคาตก็ทํามาแล้วโลหิตตุบบาทก็ทํามาแล้วสังฆเภศก็ทํามาแล้วในสังสารวัฏ ไม่ได้ทําอยู่กรรมเดียวก็คือมากขากรรมเท่านั้นเองในสังสารวัตรเนี่ยมันบอกว่าถ้ามองอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าโอ้โหน่ากลัวมากถ้างั้นถึงบอกว่ามันต้องตั้งอัธยาศัยกันให้ชัดว่าอะไรมันโกิดขึ้นฉะนั้นต่อมาท่านก็นมาบํบาเพ็ญบารมีใช่ไหมในระหว่างบำเพ็ญบรารมีที่ได้จัตรู้เป็นพระเจ้าเรียกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเป็นนิยตะโพธิเป็นอนิยตตโพธิสัต์กับนิยตตโพธิสัตว์ คำว่าอนิยตตาโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพุทธบาญญัจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งว่าจะได้ตัดสู้เป็นพระเจ้าในอนาคตส่วนคำว่านิยตตาโพธิสัตว์ก็คือพระโพธิสัตว์ที่ได้รับไพุทธบัญญัติจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งว่าจะได้ตัดสู้เป็นพระเจ้าในอนาคตทีนี้ในบรรดานิยตตาโพธิสัตว์ท่านก็มาแบ่งเป็นสาประเภทในสามประเภทก็คือปัญญาทิกาโพธิสัตว์อันนี้บำเพ็ญบารมีมายี่สิบ ก็คือถ้านับหลังได้รับพุทธยากรก็จะเสียสงขา ย, ยิ่งด้วยแสนมหากับถ้าบวกกับที่ไม่ได้ที่เป็นอนิยตานี่นะด้วยก็คือนั่นแหละ20แต่ถ้าบอกถึงในลักษณะของการนิยต์โพธิสัตว์นี่นะก็มาแบ่งแบ่งเป็นเสียสงขา ย, ยิ่งด้วยแสนมหากรอันนั้นคือปัญญาธิกะโพธิสัตว์ผู้ยิ่งด้วยปัญญาเนี่ยนะประการต่อมาคือศรัทธาธิกะโพธิสัตว์นี่บำเพ็ญบารมีมา8 นี่หลังจากได้รับพุทธิยกรแล้วเนี่ยแดอสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากรวิริยะโพวิริยะหรือวิริยาธิกะโพธิสัตว์อันนี้ก็คือบำเพ็ญบารมีมา16อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัรพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายทรงบำเพ็ญบา ร, รมีมาสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัรก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะโพธิสัตว์เพราะกําลังของปัญญีสีในแรงมาก พระ อ, องค์ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้านับได้20สประสงค์ไขใช่ไหมกับอีกแสนมหากรับเนี่ยก็คือปรารถนาได้ใจดังที่ได้กล่าวเจแล้วก็วาจายอีกเทั้งกายวาจาใจก็คือสรวมเป็น20สิประสงค์ไขยิ่งด้วยแสนมหากรับท่านตั้งความปรารถนาจากเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่บอกว่าเราตัดสู้แล้วจกให้ผู้อื่นตัดสู้ด้วยเราพ้นแล้วจกให้ผู้อื่นพ้นด้วย เราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยเนี่ยนะนีคือความตั้งความปรารถนาเป็นพระเจ้าด้วยบังเกิดขึ้นในใจเป็นครั้งแรกของพระโพธิสัตว์ในภพชาติที่เป็นคนยากจนดังที่ได้กล่าวสละชีวิตแบกมารดาแล้วก็ว่ายข้ามมหาสมุทรในขณะที่เรือสมเภาออปลางเป็นต้นเรียกว่าปฐมจิตุบาบาัก็เรียกว่าตั้งแต่นั้นมาก็เลี้ยงดูมารดาตลอดแล้วก็เป็นไปตามลาดับ ทีนี้พระโพธิสัตว์เนี่ยนะในพระชาติอื่นพระโพธิสัตว์ก็จุดติจากเทวโลกก็มาเกิดเป็นพระราชาทรงพระนามว่าสุตตะปาปะนะัญะอันนั้นก็นั่นแหละที่ว่าช้างในสุดจริงๆก็ช้างเมามันเป็นต้นเหล่านั้นที่มีราคะแรงกล้าเป็นต้นแล้วในสุ่จริงท่านก็ปรารถนาเราตัดทะลุแล้วจะให้ผู้อื่นรู้ด้วยเราพ้นแล้วจะให้เราพ้นจากกิเลสคือราคะโทสะโมหะแล้วจกให้บุคคลอื่นพ้นด้วย เราข้ามได้ข้ามโลกคือกามาโลกกามภูมิรูปภูมิรูปภูมิได้แล้วจะให้ผู้อุ่นข้ามข้ามภูมิได้ด้วยมหาสมุทรคือวัดตาสงสารเนี่ยมีภัยมากท่านคิดอย่างนั้นในต่อมาในที่สุดอสงไขยอีกแสนกับนับในปัจจุบันเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็บังเกิดในตระกูลพราหมณ์เป็นต้นเหล่านี้ถ้าไปว่าไปตามลำดับเนี่ย คือในลำดับแห่งการเกิดในลำดับแห่งการสร้างบา ร, รมีต่างๆเหล่านี้ดังที่ได้กล่าวบา ร, รมีก็คือคุณธรรมทั้งหลายมีธานบา ร, รมีเป็นต้นกําหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายและกรุณาอันตัญหาและมนาทิฐิไม่เข้าไปไม่เข้าไป ก, กไมัมไกลก็หมายความบอกว่าเรื่องการสร้างบา ร, รมีนี่นะให้สังเกตดูนะว่าธานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมาเป็นต้นเหล่านี้ในการที่พระ อ, องค์ทรงสร้างเนี่ยพระองค์จะไม่ให้ตัญหา ไม่ให้มานะไม่ทิฏฐิเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเอาเราทําได้ไหมถ้าเราพิจารณาอย่างนี้นะว่าเวลาเราจะสละสิ่งของหรือจะมอบสิ่งของต่างๆเนี่ยไม่ให้เป็นไปกับตันหาทําได้ไหมคือไม่ให้ตันหามันเกี่ยวข้องกับการให้ก็คือไม่ให้เป็นโลภะไม่ให้เป็นไปกับมานะไม่ให้เป็นไปกับมิจฉาทิฏฐิเอาลองนี้คิดอย่างนี้นะว่าตอนที่เราไปทานข้าวกัน ใครกินใครกินข้าวใช่เราไหมจริงๆเรามีจริงไหมแต่ทำไมเราไปคิดว่าเรากินทุกคำเลยลเราข้ายว่าเรากินใช่มเห็นไหมเหนมี่ยไอความรู้สึกเป็นเราหมดแล้ะเรากินเราเห็นเราอร่อยเราเผ็ดอาหารอร่อยอาหารไม่อร่อยกินมากๆตอนนี้เราง่วงเลยนะใช่ไหม เไหมว่าไอตัวตัวตัวความเข้าใจผิดเนี่ยท่านพยายามาท่านเข้าใจมากในข้อมูลพระวริติสัตย์ที่ท่านท่านบัเป็นมาท่านเข้าใจว่าไอกรณีแห่งการการะทําในลักษณะอย่างเนี้ยฉะั้นบารมีพระอาธาิว่าพระมหาสัตว์พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมเพราะสูงกว่าสัตว์ด้วยการประกอบคุณวิเศษน่ยนะก็หมายความบอกว่าคําว่าบารมีเนี่ยคือพระองค์เนี่ยสูงกว่าเราท่านทั้งหลายเอ า, เอาอะไรเป็นข้อวัดทานสูงกว่า ศีล ส, สูงกว่าไหมใช่ไหมเนคขมมาก็สูงกว่าปัญญาก็สูงกว่างี้นะก็ไล่ไปอย่างเงี้ยไปจนถึงนั่นแหละอุเบกขาก็ไล่ไปอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเราจะจะสมมติว่าเราสาธยายทานบารมีทานอุปาัรมีทานนัปรมัตถะปรมีไล่ไปตามลำดับนี้นะพอพิจารณาเป็นไปตามลำดับเนี่ยเราก็จะคิ ด, ดว่าโอ้สูงกว่าเราหมดเลยอย่างนี้ก็เรกเจริญวุตตคุณ บางคนไม่คิดเนี่ยเจริญวุฒิคุณเจริญยังไงเนี่ยบททุกบทที่สาทยายไปนั้น่ะคิดถึงคุณของพุทธายาได้หมดเลยแต่เพียงว่าเราจะคิดมุมไหนคิดให้ออกนั่นแหละคือการเจริญวุทิคุณบางคนแค่ได้ยินคําเดียวแค่นั้นก็ขนลุกชูชันแล้วแต่บางคนโอ้โหสวดยังไงก็ไม่ลุกใช่ไหมมันจะหลับอยู่เลยเนี่ยสวดก็จะหลับสวดก็จะหลับเนี่ยอันนี้แปลว่าปุก พระพุทธเจ้าปลูกไ ม, ไม่ขึ้นเลยเนอะอันนี้ต้องไปคิดแล้วเฮ้ทําไมถึงทําไมถึงเสียงคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ดึงไม่ได้ใช่ไหมดึงเรากระตุ้นเตือนเราไม่ขึ้นเลยนะตรงเนี้ถ้าหากมามองดูในการในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าปรมาเนี่ยเพราะอาจจะว่าบําเพ็ญก็ไดนะ้เป็นผู้บําเพ็ญและเป็นผู้รักษาคุณทั้งหลายมีทานเป็นต้นนะนะดังที่ได้กล่าวแล้วหรือบรารมีดังที่ได้กล่าวก็คือว่า ที่จริงเนี่ยท่านจะต้องศึกษาลักษณะลักษณะปัจจุปฐานปัฏฐานของบารมีแต่ละข้อแต่ละข้อต้องมาขยายกันด้วยเสมอแต่นี้เดี๋ยวเอาไว้ก็เดี๋ยวอยู่เรื่อยเนี่ยนะแต่เพียงว่าเอามาเดินมามานั่งตรงนี้ที่ไรเอามาสองจิตสองใจอยู่เรื่อยเลยคำว่าสองจิตสองใจก็หมายความว่ า, วาถ้าเดินถ้าเดินอัฏฐะเกี่ยวสาระมากๆเนี่ยเรื่องก็ไปช้า พอจะเดินเรื่องมากเนี่ยอัถาก็ได้น้อยเนี่ยนะเลยไม่รู้ไปงไงเลยทีนี้ก็คือตรงนี้ก็คือเรื่องยาวมากแต่จะมาย่อพูดเนี่ยเป็นเรื่องทุกใจเขาจ้าใจยังจริงๆเรื่องเนี่ยมีเยอะอัถาแต่ละอย่างนี้มากมายจริงๆถ้ามาคุยเอาอัถาแต่ละประเด็นกันต่างๆเนี่ยจะไปไม่เป็นเลยไปได้หน้าเดียวเนี่ยนะ <c oughs> ก็เลยต้องต้องพยายามว่าเดินให้ใหได้ให้ได้สาระพอสมควรเนี่นะเมื่อกี้ก็ถาม เจเจยงมก็ถามวิเออ ย, ย, ย, ยอยยมฟังฟังแล้วเข้าใจไหมยอมก็เข้าใจา ม, ามันก็ะยิบๆปริมาณของความเข้าใจในท่านทั้งหลายไม่เท่ากันหรอกไม่เข้าใจกันไม่เท่ากันหรอกเชื่อไม่เชื่อนะความเข้าใจแต่และคําพูดคําเดียวเนี่ยเข้าใจไม่เท่ากันถามว่าถ้าภาษารีบุตรใช่ไหมหรือพระอานนท์เนี่ย เอาภะษารีบุตรเนี่ยภาษารีบุตรบอกว่าพระคุณจะบอกว่าท่านอาจารย์พยันชนะจะมากหรือน้อยไม่ไม่เป็นไรท่านอาจารย์กล่าวเลยส่วนเรื่องการขยายร้อยในพันในหมื่นในเป็นเรื่องหน้าทิ้งเข้าไปเอ า, อาเอาสิคำเดียวท่านขยายยังไงเราไปนั่งคิดจะขยายยังไงเราเนี่ยแพูดโทได้พูดโทคคำเดียวจริงๆจงงไม่ไม่รู้จะไปขยายยังไง าใครขยายคำว่าพุทธโทเนี่ยเอาได้สักห้าในทีเอาเอาสักห้าในเนี่ยต อ, องยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้ที่ว่าพุทธโทเนี่ยขอขยายให้ฟังยนนี้นห้าในได้ไหมเอาที่ถามถามถามโยมบอกว่าตอนนี้เป็นยังไงศรัทธาในพระเจ้ามากขึ้นไหมเออมาคนเจอหน้าที่อะไรมาจะถามอย่งนี้ก็าบอกว่า โอ้โหเรี่องนี้ศรัทธาขึ้นมากขึ้นเลยฟังฟังแล้วก็น่าเชื่นใจนะแต่แต่ไม่ได้ถามต่อถ้าถามก็ช่วยขยายพุทธท่อยฟังสักข้าในนี่เกิดยิ่งตรึกพุทธคุณได้มากเท่าไรอาหารของสัตทินซีจะมากเท่านั้นแหะคิดถึงคุณพุทธเจ้าได้มากเท่าไรเนี่ยอาหารปัจจัยที่จะทำให้เกิดศรัทธามากเท่านั้น เมื่อศรัทธามากเท่าไหร่วิริยะสติสมาธิปัญญาก็จะรุนแรงมากเท่านั้นนี่เป็นอย่างนี้อย่างกรณีที่คําว่าพุทโธในคัมภีร์มานิเทศเนี่ยอย่างความหมายประเภทแรกที่บอกว่าพุทชิตาสัจญานีติพุทโธเนี่ยสภาวะตัสรู้ซึ่งอริยสัตว์ทั้งหลายเชื่อพุทธะอันนั้นท่านพูดถึงสภาวะเนี่ยสภาวะที่ตัสรุอะไรตัศรุทุกตัสรุทุก ข, ขสมุ ท, ทยัยตัศรุทุกคันิโรธ ตัสรุทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานี่หมายเอาตัวสภาวะรือเอาสภาวะอะไรอรหัรรมกนั่นแหละนั่นแหละเป็นสภาวะที่ตัสรู้ทีนี้ถามว่าอารหตรรกจะเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรด้วยวิปัสสนาญาณใช่ไหมใช่ ว, วิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรด้วยสมาธิอสมาธิจะเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรก็ได้ความสุขด้วยปัสสัธิด้วยปีติ ด้วยปราโมดด้วยกุศลศีลอย่างเงี้ยอกุศลศีลจะเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรกุศลศีลจะเกิดขึ้นได้ด้วยศรัทธาอย่างนี้เป็นต้นอสัทธาจะเกิดได้ด้วยอะไรด้วยการฟังพระธรรมฟังพระธรรมจะเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรด้วยการคารพพระพุทธเจ้าและสาวกของพุทธเจ้าเอาตรงไหนพระพุทธเจ้าบัตรเกิดขึ้นที่ไหนสาวกของพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระธรรมของพระพทเจ้าแล่นไปนะที่ไหนที่ปฏิรูประเทศไงที่ประเทศที่สมควรไง เอาประเทศที่สมควรเนี่ยเราจะไปเกิดได้ยังไงเอาปุเพกตาปุญญาตาต้องมีบุญเก่าเอาตอนนี้เรามีเรือยงปุเพกตาปุญญาตามีแล้วใช่ไหมมาจากอัตตาสมาปณิทิสรุปแล้วอัตตาสมาปณิทิตั้งตั้งอัตตาสมาปณิทิเนี่ยองค์ทำได้แก่อะไรอัตถะของอัตตาสมาปณิทิได้แก่อะไรสมาทิฏฐินะ ความเห็นชอบนี่นแหละเป็นปัจจัยให้เราได้ปุเพกตะปุญญาตาปุเพกตะปุญญาตาเขาทำให้เราได้อยู่ในถิ่นที่มีคําสอนของพระเจ้าตอนนี้อยู่แล้วถิ่นที่มีคําสอนแต่เป็นถิ่นที่มีคําสอนบ้างไม่มีคําสอนบ้างนะใช่ไม่ใช่เอาที่ไม่วั น, ว, นวันหนึ่งเนี่ยเราฟังแต่คําสอนหรือที่ไม่ใช่คําสอนก็มีระหว่างฟางคําสอนกับที่ไม่ใช่คําสอนไหนเราฟังมากกว่ากัน ระหว่างเห็นพระพุทธเจ้ากับที่เห็นบุคคลอื่นเห็นใครมากกว่ากันเมื่อกี้ตอนนั่งอยู่ในยอมก็ถามบอกตอนเนี้ยอมไหว้พระยอมไม่ใช้ทูบแล้วจะเป็นอะไรมิเนี่ย <c oughs> <c oughs> คือไม่ได้ใช้ทูบถามให้ไม่ใช้เพราะว่ามีเขาประกาศกันว่าเดี๋ยวมเป็นมะเร็งคนเป็นมะเร็งตายเยอะมาก็เลยบอกว่าบูชาเนี่ยหนึ่งรูปประานนาง ให้รูปเป็นทานสองสัทธาทานังให้เสียงเป็นทานนี่ไงเปล่งกันอยู่นี่ไงกำลังให้เสียงเป็นทานอยู่ไหมคันทะทานังให้กลิ่นเป็นทานอา้าวทูปเนี่ยเราบูชาอะไรเอามีทูปเท่านั้นใช่ไหมที่ที่จะมีกลิ่นบูบชาได้กลิ่นหอมทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกใบนี้ที่มีอยู่ในเทวโลกที่อยู่ในมหาสมุทร อยู่ในแสนโกดจักรวาลเอาน้อมบูชาคุณของพระเจ้าได้หมดเลยคิดออกว่าแต่คิดออกเราจะได้เยอะพระยาการมาเนี่ยไม่มีโอกาสจะเอากลิ่นหอมๆ ม, มาออกมาก็น้อมเลยน้อมเอากลิ่นทั้งหลายที่มีอยู่ในจักรวานทั้งสิน้นนะกลิ่นของดอกไม้นาะนาพันธุ์ทั้งหลายที่อยู่ในป่าจักรวาลทั้งหลาย ขอน้อมเอากลิ่นต่างๆที่อยู่ในสวรรค์ทุกชั้นน้อมบูชาการตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าบูชาอาสาธรณายานหพุทธยาน14บเวนิกรรม1สบแทศพลยานสิบเวสารัชยานสี่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก็น้อมอย่างเงี้ยมันอยู่ที่การน้อมจริงๆอยู่การตรึกจริงๆเห็นไหมเอาเลยแต่ถ้าเรามีตัวไหนไอสิ่งไหนเป็นตัวแทนก็น้อมบูชา กลิ่นดอกไม้กลิ่นของหอมกลิ่นอะไรต่างๆบูชาคุณของพระา้าดาเพียงแต่ว่าหนึ่งถ้าเข้าใจเนี่ยเราจะบูชาได้ทีนี้การบูชากลิ่นก็ดีบูชารสก็ดีบูชาสัมผัสก็ดีบูชาธรรมา ร, รมณ์้ารทำารมณ์จะบูชายัางไงสมมติว่าเมื่อสักครู่นี้ยอมเอาน้ำมือถวายาบูชาธรรมารมณ์ได้ไหมให้ธรรมะเป็นฐานได้ไมเนี่ย พอดื่มแล้วทําให้เสียงในการกล่าวพระธรรมเอาสิอยู่ที่การน้อมใช่ไหมเนี่ยฉะนั้นถ้าคิดได้เนี่ยจะจะเข้าใจนะถ้าคิดได้จะเข้าใจฉะนั้นคําว่าพุทธาอีกความหมายหนึ่งท่านหมายความบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านามว่าพุทธาพราะทรงเลยทรงยังสัตว์ทั้งหลายให้ตัดสู้อริยสัตว์พระเจ้าเนี่ยยังเราท่านทั้งหลายให้ตัดรู้อริยสัต์ใช่ไหม ฉะนั้นศาสตร์ต่งหลายที่ตัสรู้ตามพุทธเจ้านั้นพอมีอัฏฐะคาว่าพุทโธคําว่าพุทธะนั่นเองอีกความหมายหนึ่งก็คือพุทธะเพราะว่าทรงคุณคือสัพพัญยุตยานสัพพัญยุตยานของพุทธเจ้ารอบรู้ทำทั้งปวงไหมทำทั้งปวงไหมคําว่าทำทั้งปวงเนี่ยรอบรู้อะไรรอบรู้สังขาระโลกหรือสัตวโลกหรือภาชนะโลกหรือรู้ทั้งหมดเนี่ยวันไอ ตอนนั้นที่โยมเข้าไปแม่มา ก, ก็บอกว่าเนี่ยปัญญาของภาษารีบุตรเนี่ยมากขนาดไหนเอาปัญญาของภาษารีบุตรเป็นประมาณแล้วก็ไปเทียบปัญญาที่มากกว่าภาษารีบุตรอีกหลายล้านเท่าถ้ามีมนุษย์คนใดหยิบเอมเมล็ดทรายในมหาสมุทรมาหนึ่งเม็ดแล้วก็ถามปัญหาภาษาลีบุตรนี่เนีช่วยกันเนี่ยหยิบถามหยิบถามหยิบถามจนมาเมล็ดทรายในมหาสมุทรหมดไปภาษาลีบุตรตอบได้หมดเลย นั่นแหะัญญาภาษาลิบุตรเร า, าเล็ดายสามเม็ดตอบติดขัดหมดเลยใช่ไหมนี่คือภาษาริบุตรนะนี่คือคืออัครส า, าวกเบื้องขวายังขนาดนี้แล้วภูเจ้าจะขนาดไหนนี่ไงนี่ไงคาว่าหนึ่งมาสงไขยยังได้ขนาดนี้ถ้าหากสพยตยาเนี่ยก็ขนาจิตเลยนับได้เลย แม้จิตหนึ่งขนาดเนี่ยมีกี่อนุขนาดเนี่ยรู้ขนาดนั้นแต่ละขนาเนี่ยเขาเรียกว่าจิตอะไรบ้างมีลักษณะรักษาปัจจุทธาประฐานอย่างไรแต่ละขณะมีรับอะไรเป็นอารมณ์เป็นต้นและจิตแต่ขนาดนั้นมีสภาวธรรมอะไรสองและครบประกอบด้วยเนี่ยไล่มองเห็นทะลุทะลวงเลยว่างั้นเด้อและทุกขนาดจิตในกระแสขันในแสนก่อจักรวาลรู้หมดเลยแล้วนั่งนั่ ง, งกันอยู่แล้วรู้จิตคนอื่นไหม แค่ความคิดยังรู้ไม่ได้ไม่ต้องไปรู้ขนาดจิตใช่ไหมจ๊ะนี่แหะคือนี่แหะคือพระพุทธเจ้าเราท่านทั้งหลายจะได้ตัดวิจิกิจฉาออกพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสัพพัญญุตยานจริงๆแล้วกว่าจะได้มาเนี่ยต้องเหนื่อยขนาดเนี้ยคมคมยิ่งกว่าคมหน้าปราถนาไหมล่ะหน้าไม่น่าแล้วน่าเดินตามไหมใช่น่าเดินตาม คนที่ไม่กล้าเนี่ยที่ท่านอุปมาเหมือนไอ้หมาป่าเนี่ยหมาป่าตาขาวอะ่ะแค่ได้ยินแค่นี้ก็ไปไม่เป็นแล้วเ<ๆ>ขาว่าธรรมชาติของหมาป่าที่มันตาขาวมันจะอยู่ในพงไม้ฝนตกเขาว่าเัินเวลาฝนตกก็ดีฝนไม่ตกก็ดีเป็นต้นอะไรเนี่ยหมาป่าตาขาวไม่กล้าออกไปหากิน้มันหนาวมันกลัวมันกลัวเสือบ้างกลัวช้างบ้างใช่ไหม เพราะว่าโอ้โหป่าที่จะเข้าไปกินอาหารมีเยอะๆก็คือหญ้ามันหญ้ า, มามไม่สูงเท่าไหร่นี่ยเดี๋ยวเสือเห็นช้างเห็นก็จะกระทืบเ็าตายแล้วกินเขาตายเางนี้เนี่ยเขาก็กลัวเหมือนคนเหมือนเราท่านทั้งหลายเนี่ยท่านเลยอุปมาว่าคล้ายๆหมาป่าตาขาวเอาทาไมถึงคล้ายพอได้ยินว่าโอ้โหคนจะบรรลุโสดาปติมมัคเนี่ยจะต้องเพียนขนาดนั้น เ, นเอาไหม เมื่อคนโอ้โไม่เอาแล้วก็นี่กลัวไงอย่างเราท่านทั้งหลายถ้าอยู่กอดแน่นกับกามคุณอยู่นั่นแหละจะอยู่กับวัตถุกรรมอ่ะจะอยู่กับกิเลสกรรมอ่ะก็มีกิเลสกรรมหรือวัตถุการมเนี่ยคอยเกาะติดอยู่นั่นแหละเ อ, อถ้าเกี่ยวกันในเรื่องของกินอาหารอร่อยเที่ยวสนุกสนานฟังเพลงดูหนังขับรถสบายๆไปเที่ยวทะเลบ้างมีโอกาสหา ย, หายใจหรือมองซ้ายมองขวาสดชื่นบางรู้สึกโลงใจนะแต่ถ้าจะเป็นไปกับคาสอนโอ้โหไม่เอาแล้วใช่ไหมกลัวไง อกิเลสในใจเนี่ยเป็นตัวดึงเหมือนเลยเหมือนหมาป่าตัวนั้นเนี่ยขี้ขาดไม่กลา้าพ่อบอกว่าเนี่ยต้องต้องมานั่งฟังธรรมต้องต้องเช้าด้วยบ่ายด้วยนะไม่เอาแล้วบางคนอย่ว่าแต่เช้าแล้วบ่ายแล้วบ่ายอย่างเดียวก็ไม่เอาแล้วบางคนเช้าอย่างเดียวก็ไม่เอาแล้วบางคนสองชัวง่วโมงวุ่น ง, งานเยอะเหลื อ, อเกินดูนาฬิกาแผลบอยู่ในายสังเกตได้ไหมเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยไม่กลา้า แต่ถ้าเรื่องวัตถุกรรมเนี่ยเขาลุยได้ทั้งวันนะลืมเลยบางคนลืมกินอาหารเลยอ่ะเขาก็กอดแน่นอยู่กับวัตถุกรรมนั่นแหละเขาไม่กล้าไม่กล้าจะออกจากจากโพรงไม้นั้นหรอกถ้าหากพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านขาดหรือท่านกลัวเนี่ยท่านไม่ได้เป็นพระเจ้าฉะนั้นถ้าหากเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั้นต้องต้องขจัดไอ้จิตที่เหมือนป่าหมาป่าโดนนั้นนะตาขาวนั้นออกเสีย ต้องกล้าที่จะเดินออกนี่ยเข้าใจใช่ไหมคือกล้าที่จะละกิเลสเนี่ยเช่นถ้าหากถีน้ำมิทะมันจะเล่นงานเน่ยก็ไม่กล้าจะออกจากถีน้ำมิทะก็เหมือนกับที่อยู่ในโพรงไม้จุกอยู่ในโพรงไม้เคยเป็นไหมไม่กล้าที่จะลุกออกจากถีน้ำมิทะเหมือนว่าถีน้นมิทะนี่เป็นใหญ่กว่าเราเหลือเกินเนี่ยเคยเข้าใจใช่ไหมไม่กล้าที่จะเงยหัวออกจากถีน้ำมิทะนั่นอันนี้เขาเรียกว่าคนขาดเคยเป็นแบบนี้ไหม พอเกิดความโลภขึ้นมาก็ให้ความโลภมันครอบอยู่นั่นแหละพอเกิดความโกรธขึ้นมาก็จะต้องเครียดต้องระบายออกมาอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นบุคคลไม่กล้าเขาเรียกไม่มีวีระไม่มีวิรยิยะใช่ไหม